ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงถามจากมาวิทยาสีปทุกมกาลังนำเสนอคาถาของพระสารีบุตรเระก็สืบเนื่องกันมาจนถึงคาถาที่หนึ่งพันสิบสี่แล้วก็จะจบที่หนึ่งพันสิบหก ใน 1,014 นั้นจะดูลักษณะของข้อความเหมือนกับคนอื่นพูดถึงคุณสมบัติของพระสารีบุตรเทระโดยท่านกล่าวว่าพระเทระผู้หมุนจักที่พระาศาสดาทรงให้หมุนไปแล้ว ให้หมุนไปตามซึ่งในที่นี้พระสารีบุตรเทรารูปเดียวที่พระพุทธเจ้าสรงยกจ้องไว้ว่าสามารถจะหมุนหมุนธรรมจักรที่พระองค์ทรงแสดงไว้ดีแล้วให้หมุนไปตามได้ทีนี้กรอบของธรรมจักรนั้นโดยทั่วไป เรามักจะมีความรู้สึกว่าก็คือธรรมจักรกระพตานสุขซึ่งเป็นมัสุมเทศนาที่พระอุจ้รส่งแสดงแก่พระปัญญวักคีตแต่ว่าในแง่ของความเป็นจริงและธรรมะทั้งปวงที่เรียกว่า8ป0ห0่ี่พันพระธรมะรมขันก็ถือว่าเป็นธรรมจักร คือธรรมะที่ขับเคลื่อนคนไปสู่ผลทีก ค, ควรเว้นและกวกูลซึ่ง อ, องพพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ทั้งสองฝ่ายเมื่อบุคคลได้ใช้ศรัทธาและปัญญาน้อมใจเชื่อและใช้ปัญญาพิจารณา วัฏฏะเหล่านี้ยมันเป็นไปเป็นเหตุที่จะนำไปสู่ผลเป็นความสุขความทุกข์เป็นสวรรค์นรกเป็นพรหมเป็นอริยะแต่ว่าสายหนึ่งมันก็หมุนนำพาไปสู่อบายภูมิเป็นนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์ดิบชาต คนคกต้องคิดเลือกตัดสินใจเอาเองนั้นธรรมะส่วนใหญ่ก็จะหมุนไปสู่ความสุขความเจริญจะเป็นเนตแห่งความสุขความเจริญอย่างที่เรา ค, คุ้นกันอยู่เป็นนั้นมากเจริตธรรมะคือหลักของ อนุบุพ ป, ป, ปิการฐานห้าประการที่เป็นธรรมเทศนาที่ส่งแสดงบ่อยแสดงมากก่อนที่จะส่งแสดงอริยสัจก็ส่งแสดงอนุปปิกขะอนุปปิกขานห้าประการไปก่อนมันเป็นธรรมะระดับพัฒนาจิตใจของบุคคลให้มีความประนีตสูงขึ้นไปเรื่อยๆ จดพร้อมที่จะทำความเข้าใจกับอธิยศแล้วลรงก็ส่งแสดงอดิยศแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าแสดงอย่างนั้นทุกคนม่นขึ้นอยู่กับใครมีบารมีแก่กล้ามากน้อยขนาดไหนบางครั้งแสดงฐานเฉยๆบางครั้งแสดงศีลเฉยๆบางครั้งแสดงสวรรค์เฉยๆ บางครั้งก็แสดงโทษของกา ร, รมเฉยๆบางครั้งก็แสดงต่างออกจากกา ร, รมก็แสดงว่าออคนฟังแต่ละคนนั้นมีบารมีไม่เท่ากันหมายความมาหยาบกลางละเอียดแต่ต่างกันแต่ว่าเป็นทางที่จะนำไปสู่ความสุขความเจริญด้วยกัน ตามสงควรเก่เหตุทีิทรงแสดงทานโดยปริยายเป็นนั้นมากแล้วก็แสดงในรูปของอวัตถุคือสิ่งที่เราให้เจตว่าเป็นธาตุสถานสหายธานสามีธาน หมายความมาการให้ของหยาบๆยาบแม่เราเองก็ไม่รับประทานแก่คนอื่นก็เหมือนให้แก่ธาตแต่เป็นธาตสาัาตุตอนที่เราบริโภคใช้สอยยังไงกินอยู่อย่างไรเราก็ให้อย่างนั้นก็เหมือนก็ให้แก่เพื่อนก็เรียกว่าสหายหานบางครั้งแม่เราเองก็ไม่ค่อยได้กิน เพราะว่าของดีเกินไปวันนี้เกินไปแพงเกินไปแต่พอดีท่านผู้นั้นคือพ่อคือแม่คือครูบาอาจารย์คือพระติราชที่เราให้ความเคารพนับถือพอได้ของนั้นมาเราก็คิดถึงท่านแล้วก็เอาไปให้ท่านไปบูชาท่าน แต่ก็เรียกว่าสามีทานสแสดงว่าเจตนาเป็นเครื่องให้ทานนั้นมันเป็นใหญ่เหนือกิเลสเหนือความสนี่เหนือความโลภภายในใจเราทำให้เราเสียสละของประนีตด้วยจิตใจที่ประนีตแก่คนที่เราศรัทธาเื่มใสได้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 การให้ประทีปเป็นการให้ปัญญาคือแสงสว่างคือปัญญาอย่างที่เราบูชาพระรัตนตรัยด้วยทุกเทียนในปัจจุบันก็อาจจะใช้ไฟฟ้าก็เรียกว่าบูชาด้วยแสงสว่างมันเป็นเอธให้ตาเนื้อเราดี แล้วก็ตาปัญญาเรามีปริมาณสูงขึ้นทีนี้ในตัววัตถุนั่นนะก็มีรายละเอียดอีกเป็นนั้นมากจะแสดงในรูปของเจตนาก่อนให้ขณะให้หลังจากให้ ก่อนให้ก็เจตนาที่เป็นกุศลเกิดศรัทธาเลื่อมใสเกิดความเคารพนับถือเกิดความเมตตาสงสารเกิดความจงรักภักดีก็เป็นความรู้สึกที่ดีๆ ด, ด้วยกันทั้งนั้นแล้วเราก็ให้ไปการให้ทานในลักษณะนี้แสดงว่าจิตใจเราต้องประอีต เราบรเกิดเจตนาขึ้นมาก่อนที่จะให้ก็ขณะที่ให้ก็รู้สึกสื่นชมยินดีพอใจในการให้มีความสุขในขณะที่เราได้ให้และหลังจากให้ไปแล้วคิดถึงเมื่อไหร่ก็ปีติประมุดเหมือนนั้น ก็แสดงว่าทานจิตใจก็เราว่าประณีตขึ้นทานมันก็ประณีตขึ้นนี่ก็แนวตีแนวตรงเนี้ยบางฉีก็แสดงประณีตมากกว่านั้นดีก็เรียกว่าสัพพะาคุณหมายความว่าคนที่รับทานนั้นอย่างน้อยต้องเป็นพระนาคามี กับพระอาหารหันต์สองของที่เรานำมาให้นั้นจะต้องเป็นของที่ได้มาโดยชอบธรรมไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมและเจตนาในการให้ทั้งสามการนั้นรักษาไว้ได้ดีแล้วก็ ท่านที่รับฐานนั้นเป็นพระอนาคามีพระอราหันต์ที่ออกจากในโรธสมาบัติใหม่ๆถ้าเราได้จังหวะสี่จังหวะด้วยกันก็แสดงว่ามีความประณีตมีผลมียอีนสงมากแต่ตามปกติแล้วเราก็ไม่ค่อยได้เจอ ในสมัยพุทธกาลเองก็เจอคนเพียงห้าหกท่านเท่านั้นเองที่ได้ให้ทานในลักษณะนี้าทางที่มีพระพุทธเจ้ามีพระหันดำรงอยู่แต่จังหวะที่พอเหมาะพอดีมันมีไม่ได้ง่ายคือบางทีของที่จะให้มีแต่ผู้รับไม่มี บางทีผู้รับมีแต่ของที่จะให้ไม่มีบางครั้งมันมีทั้งสองอย่างนั่นแหละแต่เราไม่เกิดความพอใจยินดีที่จะให้ทานหรือว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยเราก็อยากจะให้ แต่ก็ผู้รับทานไม่มีก็สรุปว่าก็มีปัญหาอยู่เยอะคือไม่จะทำอะไรได้ ง, ง่ายที่เรียกว่าจังหวะพอหมอพพอเจาะนี่คด อ, อยากที่ก็เป็นโรคพวกสัมปทานแล้วก็แนวหนึ่งก็การให้วัตถุทานนั้น มันก็จัดกิเลสประเภทโลภะกับมัจฉรยะคือสนีกับความโลภแล้วก็จัดโมฆะคือความหลงในเหตุผลบางคนไม่ให้เนี่ยเพราะว่าไม่รู้ไม่รู้พลนดีต้องการให้เลยไม่ได้ให้การการให้ วัตถุทานก็จะมีอนิสงส์เหมือนกันแต่ว่ามีความประณี่ที่แตกต่างกันมายความวาผู้ให้จะเป็นที่รักของผู้รับบุคคลทั้งหลายคือเสียงเกติคุณนันดีงามจะเป็นที่ยกย่องของคนทั้งหลายเกติคุณนันดีงามก็จะฟุ้งกระจกระจายไป เป็นผู้องอาจกล้าหารไม่ขั้นข้ามขามเกรงในสมาคมทั้งหลายแล้วไม่ลึงตายตายแล้วก็จะไปบังเกิดในสุขติโลกสวรรค์อนี่ก็คือความโลภ ก, กิเลสประเภทโลภมันมีโทษน้อยแต่มันคลายได้ชาเพราะนพอมาเทียบทานอวัตถุ หรือการให้ทานวัตถกุกับการให้อภัยมีความขัดแย้งกันมีการทะเลาะวิวาดกันมีการต่อสู้กันเราก็ให้อภัยไม่ทือสาความกันก็จิตใจเราก็สบายเชื่อมสื่อ ไม่ต้องจ่ายอะไรสักบาทหนึ่งแต่ว่าอานิสงส์มันมากกว่าตการวัดอนิสงส์มันวัดที่ตัวลดคือกิเลสตัวเพิ่มคือธรรมะวัดจากข้างในใจมเมตตาวัดจากปัจจัยภายนอกเป็นหลักแต่วัดจากความเปลี่ยนแปลงภายในใจเราเป็นหลักะการต่อไปก็คือ การท้ธรรมะเป็นฐานอย่างรายการทางวิทยุโทรทัศน์อะไรต่างๆเว น, นี้ก็มีสื่อเข้ามาช่วยพระก็ดำเนินกิจกรรมเหล่านี้กันแพร่หลายขึ้นแล้วกวนขวายดินรนนะส่วนใหญ่ก็เป็นพระที่อยู่ในวัยกลางกลางคน คนข้างหนุ่มแล้วก็ถึงกลางๆคนประยุมากๆก็ไม่อยู่น้อยมันก็มีปัญหาอีนั่นแหละเพราะว่าการบรรยายธรรมะออกทางสื่อโทรทัศน์วิทยุนี่ค่าใช้จ่ายมันสูงก็เรียกว่าโทรทัศน์ครั้งเดียวเนี่ยมันแพงกว่า ออกวิทยุหนึ่งสัปดาห์แหละบางทีก็หนึ่งเดือนแหละก็คิดเป็นพันพันหมื่นๆมืนะฮะคิดเป็นพันพันหมื่นๆมืนกันเลยเพราะวันพวกนี้มันก็มีทั้งฐานที่เป็นวัตถุก็คือสตางค์แล้วก็ต้องเกิดเมตตากรุณาในคนที่รับฟังอยู่ จะเป็นใครบ้างเราก็ไม่รู้หรอกแล้วก็ต้องมีความรอบรู้ความเข้าใจในธรรมะที่จะนำมาแสดงในโอกาสนั้นๆคือแต่ละอย่างเนี่ยหมายความว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่างไรพระสารีบุตรก็แสดงตามแต่อย่างนั้นทีนี้เรามาดูที่เอาตัวธรรมจักรกับวัตนุสุร ธรรมจักรกวัตนสูตรนั้นเป็นธรรมเทศนาที่พิเศษหมายความว่าพาระพุทธเจ้าองค์หนึ่งก็แสดงครั้งเดียวนอกนั้นก็แสดงส่วนใดส่วนหนึ่งที่ปรากฏในธรรมจกักรเป็นพระธรรมเทศนาที่เป็นการปฏิวัติ ความเชื่อถือของคนในยุคสมัยนั้นที่านเรียกว่าปฏิวัติทางปฏิวัติอย่างคือการปฏิวัติที่ใครจะปฏิวัติคื่ดไม่ได้หมายความผู้เจ้าทรงแสดงไว้อย่างไรก็คือเป็นอย่างนั้นไม่มีการแปรผันไปเป็นอย่างอื่นพระญายธรร ม, มาโรนี้ ต้องการจะแก้ทิฏฐิคือความเห็นที่มีอยู่ดั้งเดิมในสังคมอารยันอ้เมื่อไรนี่ที่ยิงทุกวันยังเถียงกันอยู่หลัที่ความเชื่อในาศาสนาพราหมณ์เนี่ยเรียกว่าสนันตนธรรมมันมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ บางแห่งบอกว่าคนพุทธกาลถึง 3,000 ปี 2,000 ปี 1,500 ปีตลอดถึงพันปีแล้วอาจจะต่ำกว่านั้นแต่สรุปแล้วก็คือมีมาก่อนพระพุทธศาสนาแต่ถ้าเรามองย้อนไปอดีตไกลขนาดนั้นนะคนสามารถเรียบเรียง ระบบความคิดต่างๆเอาไว้เป็นระบบได้เนี่ยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็พิสูจน์ทดสอบได้ในปัจจุบันก็เก่งไม่เบาเลนะก็ต้องถือว่าเก่งไม่เบาคนเราในปัจจุบันมีเป็นนันมากที่เรารู้ไม่ถึงท่านเพราะความรู้ที่เกิดขึ้นในทางศาสนามันเกิดจาก กายวาจาที่สงบมาก่อนแล้วก็ใจสงบปัญญาก็เกิดผุดขึ้นเกิดความรู้ความเห็นํนำความเป็นจริงในเรื่องเหล่านั้นมากยิ่งขึ้นก็แน่นอนท่านก็ยิ่งหยอนกันแต่ว่าท่านก็แสดงความรู้ความสามารถออกมา แน่นอนปัจจุบันเป็นนันมากที่พิสูจน์ไม่ได้ตามหลักวิทยาศาสตร์แต่ว่าในด้านจิตใจเนี่ยก็วิทยาศาสตร์ก็พิสูจน์ไม่ถึงเหมือนกันนั่นแหละเพียงแต่เราเทียบเคียงว่าพู้เจ้าทรงมีท่าที่อย่างไรกับความคิดเหล่านี้หลังจากปรงและศึกษุู เพราะในคำสอนของพระพุทธเจาจึงมีอยู่สี่ทางใหญ่ๆด้วยกันทางแรกก็คือเป็นผลตรงมาจากการสัสรุใจหลักอริยสัจสี่หลักปฏิจจสมุปาทหลักของนิพพานหลักของอนัตตาหลักของนิโรธไรแต่แรงต่างๆมันเป็นเรื่องใหม่ที่คนในสมัยนั้นยังค้นไม่พบ พระเจ้าจัสรู้ก็นำมาเปิดเผยชี้แจงแสดงแต่มีบางอย่างเนี่ยคนสมัยนั้นคนพบแล้วคนพบความจริงระดับนั้นแล้วเพียงแต่ยังไม่สมบูรณ์พอมีจุดบอดมีจุดบกพร่องที่ท่านมองข้ามไปพระเจ้าก็นำมาปฏิรูปคือเพิ่มเติมเสริมแต่งให้ มีผลในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้นบางอย่างมันก็ดีอยู่แล้วเป็นสิ่ธรรมจัร ญ, ญาอย่างยกตัวอย่างเรื่องสีห้าประการมันก็ดีอยู่แล้วมีมาตั้งแต่โบราณเมื่อไรเราก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละแต่สรุปว่าเขาก็มีอยู่แล้ว ปุจจาระาอยอมรับศีนโบสดนี่ก็มีอยู่แล้วนะฮะสีลโบสดนี่ก็มีอยู่ก่อนมันมีอยู่ก่อนจนถึงอรูปฌานอะอรูปฌานอะรูปฌานสมาธิทั้งหลายเนี่ยมันมีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าก็จะสรู้แล้วก็ตรงกันตรงกันที่ท่งสัมผัสได้ก็ทรงยอมรับความจริงตรงนั้น แล้วนำมาเปิดเผยชี้แจงแสดงแก่โลกตามที่ทรงรู้ทรงเห็นแต่ก็ถือว่าเป็นอาธิพรมจันทร์คือเป็นเบื้องต้นของการประพฤติปฏิบัติเพราะไม่ได้ทำคนให้หลุดพ้นจากสังสารวัทุกได้แต่ทำให้เกิดในสังสารวัติอีกยาวนาน เพราะว่าคุณภาพจิตยิ่งสูงยิ่งสูงขึ้นสูงขึ้นโดยกิเลสไม่ได้หมดไปก็ทำให้อายุวันนาสุขภาวของท่านเนี่ยมันสูงขึ้นคือเพิ่มขึ้นอายุยืนขึ้นเทียบกับมนุษย์เราแล้วก็ไม่รู้จะเทียบยังไงอย่างที่ท่านยากตัวอย่างว่า เทวดาชั้นจตุมาราชวันหนึ่งคือหนึ่งของเทวดาชั้นจตุมาราชเท่ากับห้าสิบปีของโลกมนุษย์วันหนึ่งคือหนึ่งของเทวดาชั้นดาวดึงเท่ากับร้อยปีของโลกมนุษย์วันหนึ่งคือหนึ่งของเทวดาชันนนนนา้นยามเท่ากับ200รปีในโลกมนุษย์ วันหนึ่งคือหนึ่งของเทวดาชั้นดุสิตต่าก็บสี่ร้อยปีในโลกมนุษย์วันหนึ่งคือหนึ่งของเทวดาชันนิมมารดีแล้วก็บแปดร้อยปีในโลกมนุษย์วันหนึ่งคือหนึ่งของเทวดาชันปรนิมิตวัสวัตดีก็เป็นพันหร้อปีในโลกมนุษย์ พูไม่ไหวอ่ะพันหนุกร้อยปีเลาเรเห็นว่าท่านวันหนึ่งคือหนึ่งก็นั่นเองเราเกือบตายเกิดเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็ไม่น้อยกว่าพันพันหกร้อยปีเหมือนกันพันุกร้อยชาติอ่ะธแสดงว่าต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่นานพระเจ้าจึงไม่สยบติดไม่เพลิดเพลินชื่นชมยินดี ก, การเวียนว่ายตายเกิดในลักษณะนั้นว่าทรงมีประสบการณ์มาแล้วในสมัยทรงศึกษาในสำนักของดาบททั้งสองเนี่ยก็ได้รับผลมาแล้วก็เห็นว่ามันบรรเทาทุกในสังสารวัตรทุกในการเกิดทุกในการแก่ทุกในการเจ็บทุกในการตายแต่ก็ทุกด้วยกัน ระดับวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันยังไม่มีเริตัวเทียบแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าสมาธิกับสมาสังกรรปะยอย่างบกพร่องอยู่เยอะเพราะงั้นธรรมเทศนาธรรมจักรพัฒนาสูตรมันก็พูดในเรื่องของทิฏฐิคือความเห็นสองเรื่องใหญ่ ที่มยุติด้วยเหตุผลและความถูกต้องแต่บาคนสมัยนั้นปักใจฝังใจเชื่อใจกันเชื่อมั่นกันแล้วก็พอใจติดใจที่จะสัมผัสผลในฐานะนั้นนั้นอแรกก็เรียกว่าอัตกิลมัฐานนุโยกไม่ใช่คือการมาสุขันรายการนุโยก ก็ความคิดแนววัตถุนิยมจัดนั่นเองก็ปักใจฝังใจที่จะแสวงหาความสุขทางเนื้อหนังกันเพราะถือว่าชีวิตเราตายไปแล้วก็จบสิ้นกันเรียกว่าชีวิตจะจบตรงที่เชิงแตะก่อนใครจะต้องการความสุขอะไรก็แสวงหาเสบให้ได้มากที่สุดในโลกเนี้ย พอตายแล้วมันไม่มีอะไรอีกแล้วนี่ก็ความคิดของแนวจาระวากกับแนวโลกาจตตะเป็นพวกวัตถุนิยมที่จัดพระเจ้าก็ทรงแสดงเพราะว่าพระเจ้ามีประสบการณ์อยู่แล้วแต่อย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าก่อนที่จะเสด็จออกพนวดนั้นได้ มีพระโอรสแล้วก็พระชายากต่สนกันนานในอีกเท่าไร่เราก็ไม่รู้ท่านก็มีข้งท่านแต่มันก็เป็นมากวัดพระไถ่ของพระองค์อย่างหนึ่งว่าไม่ค่อยสนพระไท่ในเรื่องเพศแสดงว่าการมาาค่าตัณหานี่มันลดเลือลดลงไปเยอะ นึกดูว่าท่านอยู่กับพระนางยศุทธราพิา์พากับท่ากลางเสาสันกำนันไหนตั้งแต่แต่งงานนะูวาตั้งแต่แต่งงานมาตั้งแต่ส6บปีถึง29ปีนี่ก็เรียกว่าสิบสามปีแต่ก็มีพระโอรสองเดียวมีพระโอรสเพียงองค์เดียวแต่ น, นั้นเอง ประมากษัตริเพราะเราบางบางพระองค์อย่างพระบาทสมเด็จประจอมเกล้าจะอยู่หัวประจุนจองเกล้าจะอยู่หัวนั่นรายการที่4ี่ก็ครองราชประมาณ18ปีแต่มีพระราชโสดาบันถึงแปดสิบขวบรายการที่หก็ครองราชอยู่52ปี นี่พระารธธาชทีด้ทั้งเท่าไรอ่ะเจกว่าแต่พระพุทธเจ้ากลับเจ้าชาติยศากลับมีพระรถเพียงองค์เดียวแล้วประสูตรตอนพระชนสา90สิ่ากด้วยแล้วก็เป็นตัวการสำคัญที่กระตุ้นให้ตัดบ่วงคือบุตรกระบ่วงสักบ่วงพันยาเอาไป ออกไาะสเงนหาคนควาพระสัมมาสัมโพธิญาณเอ่อเมื่อทรงแสดงโทษของวัตถุกรามการสวงหาความสุขต่างเนื้อหนังมังสายิ่งชาวโลกทั้งหลายเนี่ยพรทรงแสดงโทษไว้ห้าประการคือเดิงฮีโนเป็นของสาธารณะทั่วไปแก่สัตว์ สิ่งมีชีวิตทั้งหลายในการเสพกามเนี่ยกามกินนอนกลัวคือเป็นเรื่องทั่วไปแก่สรพสัตต์ทั้งหลายไม่ได้ยกเวน้นพวกนั้นพวกนี้พวกโน้นไว้แต่ประการใดเป็นเหตุอะตั้งบ้านเรือนเป็นเหตมีครอบมีครัวแล้วปุถุชนิโกคือเป็นเรื่องของคนที่มีกิเลส ที่เราเรียก็มีอารมณ์การจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้ใจต้องมีอารมณ์ในทางเพศถ้าไม่มีมันก็ไม่เกิดขึ้นแต่ว่าก็เป็นเรื่องไม่มีสาระแกล้สารอะไรเป็นพฤติกรรมซ้ำซากจำเจรับใจตอบสนองความต้องการที่เกิดขึ้นภายในใจของตัวเอง แล้วก็ใช้กายเป็นตัวแสวงหาสุขสัมผัสทางเนื้อหนังมังสาแต่ว่าในสุดร่างกายเราและกายของคนที่เราประครยผูกพันก็ต้องจิ้งทั้งนั้นเอาไปไม่ได้สักอย่างหนึ่งเป็นการกระทำที่ไม่ประเสริฐแล้วก็ ก่อให้เกิดความทุกข์ด้วยประการต่างๆอีกเป็นนันมากนี่ก็ทรงแสดงในธรรมจักเพื่ออะไรเพื่อจะชี้บอกความถูกต้องตามที่เป็นจริงของโลกมนุษย์ให้ท่านปัญญาวคีได้ทราบปัญญาวเคีนั้นท่านเป็นผู้ใหญ่แล้ว แล้วที่เราชัดเจนว่าพระญนาคดัญญะนั้นแก่กว่าพระพุทธเจ้าแก่กว่าไม่ใช่ธรรมดาหรอกก็ประมาณสักยี่สิบกว่าปีแลยสีท่านมันก็ต้องแก่กว่าแก่กว่ากี่ปีแต่นั้นเองเป็นประสบการณ์ในทางเสพสุข ด้านกามคุณเนี่ยท่านประสบมาแล้วทั้งนั้นแล้วก็เบื่อหน่ายมาแล้วทั้งนั้นแต่ท่านก็มาติดใจในเรื่องของการเข้าไปอยู่รวมกับปรมาตมันพรม ม, รมันมหาตมันอะไรต่ออะไร ต, ะต่างๆตามความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ก็โดยการทรมานร่างกายท่านจีได้เป็นอิสระจากร่างกาย จิตเป็นอิสระจิตก็ทำลายกรงขังคือร่างกายแล้วก็ไปอุบัติร่วมหร อ, อยู่ร่วมกับพรห ม, มันบางที่อยู่รวมเลยนะพวกนี้ที่จริงสมัยแรกเนะี่ยมันรวมกันไปเลยคือข่าวไปผ น, นึกเป็นเนื้อเดียวกันเลยอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะแต่เชื่อข้อท่านอย่างนั้น แต่ในขณะเดียวกันท่านก็มีประสบการณ์ในการทรมานร่างกายโดยตัวท่านเองบ้างระดับหนึ่งอย่างหนึ่งก็คือจากพระพุทธเจ้าที่ท่านขาว้าอุปถากบำรุงอยู่เป็นเมื่อพระเจ้าทรงแสดงให้เห็นว่ามันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทำอย่างนั้นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์โดยพี่ๆเปล่ปาๆไม่ได้อะไร แล้วก็ไม่ใช่การกระทำที่ประเสริฐอะไรเพราะถ้าหากว่าทรมานร่างกายแล้วไปบังเกิดในสวงสวรรค์ชั่วในรันดอนเนยอนึกดูนะโทษที่ถูกทรมานด้วยวิธีการต่างๆสมัยโบราณเนี่ยมันแรงนะก็คงจะไปอยู่ร่วมกับพระเจ้าทั้งหมดก็ดีกว่าคนรู้ทั่วไป แต่การก็หาเป็นเช่นนั้นไม่เขาก็ต้องเป็นไปตามกรรมของเขาเพรา ะ, ะนั้นคือเป็นเรื่องไร้สา ร, าระไปอยู่ทีนี้พวกแนวนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอุเชตธิธิกะสันสติติเป็นการพูดถึงชีวิตหลังตายด้วย อุเฉตทิฏฐินั้นถือว่าตายแลยก็ขาดศูนย์ไปเลยหรือว่าขาดศูนย์บางอย่างหรือขาดศูนย์หมดนะฮะสองแนวแต่ว่าสัตตติทิฏฐินั้นถือว่าแต่ชีวิตนั้นเที่ยงแท้นแน่นอนยั่งยืนไม่แปรผันไปเป็นอย่างอื่นเราจากมาจากปรมาตามันอย่างไงก็จ ะ, ะกลับไปอยู่รวมกับปรมาตามันแย่งนั้นไม่มีการแปรผันไปเป็นอย่างอื่น แต่ในขณะเดียวกันผู้หนึ่งก็ถือว่ามีการแปรผันมีการเปลี่ยนแปลงมีการแปรผันไปเป็นอย่างอื่นได้นี่ก็อีกผู้หนึ่งก็กลายเป็นวัตถุนิยมสุดขั้วกับจิตนิยมสุดขัว้วแต่โลกเราเดือนนี้ส่วนใหญ่มันก็อยู่ตัวเนี้ยนะก็อยู่ตัวเนี้ยความเห็นมักจะปักใจไปในแนวนี้ และที่น่าวงในปัจจุบันเนี่ยคือมันหนักไปในทางอุเฉตทิชีดีเยอะแล้วก็นำไปสู่การไปเศษบุญบาปไปเศษสังสารวัตรไปเศษเลยเถิดไปถึงคุณพ่อคุณแม่เพราะแนวอุเฉติทิชีนี่ยก็คือแนวนัตติกาชิติถือว่ามันไม่มีหมดเลย การให้ทานก็ไม่มีผลการบูชาก็ไม่มีผลพิธีกรรมต่างๆก็ไม่มีผลแม่ก็ไม่มีคุณพ่อก็ไม่มีคุณโลกนี้ก็ไม่มีโลกหน้าก็ไม่มีการทําดีทําชั่วไม่มีผลสัติตายแล้วเกิดไม่มีถ้าดีรู้แจ้งโลกนี้แล้วสอนบุคคลหรือรู้แจ้งตามก็ไม่มีเป็นความพิเดนที่น่ากลัวเพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงส่งแสดงว่าเป็นของต่ำความคิดของคนใช้เหตุผลใช้สติปัญญาน้อยไปคิดได้ยังไงพ่อแม่ให้ชีวิตมาทั้งชีวิตหนึ่งยังไม่มีบุญคุณอะไรแล้วถ้าพ่อแม่ไม่เกิดเรามาเนี่ยเราจะมีชีวิตอยู่ได้หรือเปล่า ถ้าพ่อแม่เราไม่เป็นคนเนี่ยเราจะมีชีวิตที่เป็นคนได้หรือเปล่าถ้าพ่อแม่เราเป็นแมวนี่ยเราจะมีสิทิเป็นคนได้หรือเปล่าก็คนก็ไม่ค่อยได้คิดกันคือจากการสังเกตว่าความคิดเวลานี้มันค่อนข้างค่อนข้างหยาบหยาบนะฮะปิจิงหามาชอบฟังรายการธรรมะทางวิทยุ ถ้ามีโอกาสนะฮะถ้ามีโอกาสแล้วก็ดูรายการที่มีการอภิปรายเชิงวิชาการทางโทรทัศน์เราก็ไม่มีโอกาสที่จะไปฟังเขาสัมมนาเขาอภิปรายเขาอะไรในที่ต่างๆแต่พอเขาถ่ายทอดออกโทรทัศน์ก็มาอภิปรายออกโทรทัศน์เราก็ฟัง แต่ครั่งแล้วมันก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ความคิดทำไมเป็นยงไงนะมันเป็นการมองปัญหาไม่ตลอดสายมองปัญหาไม่ตลอดสายมองเป็นท่อนๆตัดมาเป็นตอนๆแต่ปัญหามันเป็นกระบวนการเป็นกระบวนการที่หนุนเนื่องกันมา บางทีอดีตเนี่ยต้นเหตุมันอยู่ไกลมากเกิดแต่ว่าผลมาปรากฏอยู่ที่ปัจจุบันมันคล้ายๆกับแม่น้ำเหลืองที่ต้นต้นต น, น้ำจริงๆมันอยู่แถวที่เบแนะแล้วผ่านเข้าไปในประเทศจีนตั้งห้าพันกว่ากิโลแล้วมาออกทะเลเพระจากต้นน้ำมาสู่ทะเลเนี่ยก็กินเวลานาน หรือแม่น้ำเจ้าพระยาของเราที่จริงก็ต้นน้ำก็อยู่ไกลนะฮะต้นน้ำก็อยู่ไกลอยู่ทางด้านเหนือปิงวังยมน้านเนี่ยต้นน้ำมันก็เป็นตาน้ำธรรมดาก็อยู่ทางด้านเหนือกว่าจะมาถึงแม่น้ำเจ้าพระยาลงทะเลก็กินเวลายเยอะเพราะถ้เรามองอะไรตัดตอนมองเนี่ยมัน จะไม่เข้าใจสิ่งเหล่านั้นตามความเป็นจริงปฏิเหตุการณ์ในปัจจุบันมันรุนแรงเราก็สาวไปหาว่าทำไมมันรุนแรงล่ะเพราะมันเหตุอดีตเนี่ยมันรุนแรงอดีตมันรุนแรงปัจจุบันรุนแรงกลากลากระน้าที่ต้นน้ามันขุนเนี่ยพอไหลมาถึงบ้านเรามันก็ขุน อาจจะใสขึ้นมาบ้างเพราะว่ามีน้ำจากแหล่งอื่นมาลดความเข้มข้นลงไปแต่ยังไงยังไงก็ไม่ใสหรอกวันวิธีการมองอย่างเนี้ยมันก็กลายเป็นทิฏฐิ ท, ท, ทั้งสองแนวดังล่าแล้วมันจะออกไปอีกเยอะเลยเมื่นพอพระสารีบุตรน์นำมาแสดงเนี่ยท่านแสดงได้ละเอียด ลึกซึ้งแล้วก็ยากนะฮะยากต่อการทำความเข้าใจยากต่อการจำยากต่อการกำหนดหมวดหมู่ขององค์ธรรมเหล่านั้นอย่ามาทีเวลาพระเถระอธิบายคำว่าปัญญาเนี่ยครึ่งหน้ากระดาษมีความหมายเดียวตันเองคือปัญญา แต่คํามันมีอยู่ตั้งซึ้งหน้ากระดาษแน่นอนคนรู้สัพที่ความหมายเดียวกันแต่ว่ามีศั์เป็นจานวนมากเนี่ยก็ไมาความมาทัานก็ลึกซึ้งมากแล้วก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งก็คือเวลาแปลหนังสือกับพวกแต่งฉันแต่งกาบแต่งกรอนแต่งอะไรตอะไรต่างๆเนี่ยเพราะมีศั์เยอะ มีสัพย์ไปใช้ได้เยอะเรียกว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงแสดงธรรมะตามที่พุทธเจ้าทรงแสดงได้มากตอนได้รับการยกย่องว่าผู้มีความรู้มากคือความรู้ของภาษารีบุตรจไม่รู้จะนับอย่างไรเขาบอกว่าฝนตกในจั ก, กรวาลในท่านนับมเมล็ดได้ แต่เราก็พิสูจน์ไม่ได้อะนะเพราะที่นับได้มีเฉพาะท่านเรามันับไม่ได้แต่เราก็ต้องเชื่อนะว่าพระเทราที่สร้างบา ร, รมีมามากมายขนาดนั้นมันแน่นอนต้องสามารถพิเศษกว่าคนอื่นตอนจิตใจก็ตั้งมัน่นตั้งมั่นตามอะไรตามรอยบาทพระพุทธเจ้า พระทรงดับกรรมแห่งสังสารวัฏคือวิชาตนาวปาทานกรรมได้เพราะกิเลสที่ให้เป็นเหตุให้หวั่นไหวมันดับเมื่อมันดับท่านก็ไม่สั่นไหวไปตามอารมณ์นั้นๆและท่านก็บอกว่าเป็นผู้เสมอด้วยแผ่นดินน้ำแล้วไฟ ข้อแรกนั้นเสมอด้วยน้ำคือมหาสมุทรแล้วก็แผ่นดินแล้วก็ภูเขาแล้วก็ลมแต่ว่าอะไรก็ตามคือสรุปว่าพวกเหล่านี้ไม่มีใจที่แกไม่หวั่นไหวเพราะว่าแกไม่มีใจให้หวั่นไหวแต่พระพุทธเจ้ามีใจประสานบุตรปีใจแต่ไม่มีกิเลสเป็นเอเดหวั่นไหว อะไรก็ตามที่เราไม่มีกิเลสเนี่ยเราไม่หวั่นไหวแล้วเราไปเที่ยงในห้างสรรพสินค้ามีของเล่นเยอะแยะไปหมดแต่ของเด็กถามว่าใครอยากได้ไหมมันไม่มีใครอยากได้เขามาโฆษณารถแรกแจกแถมให้ก็ไม่เอาถ้าจะ ซ, ซื้อก็ซื้อหมอฝากลูกหลานคนที่มีลูกหลานนั้นอาจจะสนใจนะะ คนที่มีลูกหลานอยู่ที่บ้านอาจจะสนใจหรือจะไปเยี่ยมญาติมีลูกหลานอยู่ในบ้านนั้นๆก็สนใจแต่จะซื้อไปฝากคือซื้อด้วยกรุณาไม่จะซื้อด้วยโลภแล้วก็ผ่านการใช้ปัญญาเพิงพินิษพิจารณาไปแล้วว่าสงสารเด็กสงสารลูกหลานจะได้มีของเล่นก็ไปให้เธอแต่ว่าตนเองไม่ได้ทำด้วยกิเลส ทำได้วยกรุณาไกลๆกับพระอาหารหันต์ท่านสั่งสอนสัพพสัตต์นี่ท่านสั่งสอนด้วยความการุณาจอต้อตงการในสัตว์เหล่านั้นได้อย่างที่ท่านได้เป็นอย่างที่ท่านเป็นมีอย่างที่ท่านมีนี่ก็เป็นลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของพระไตรปุตรรับยกร่องอย่างสูงจากพระพุทธเจ้าว่าเต็นผู้ สามารถหมุนพระธรรม จ, จักให้เป็นไปแล้วตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงหมุนไปหมายความพทธเจ้าทรงสแสดงอย่างไรท่านก็สแสดงได้อย่างนั้นแน่นอนแหละเราก็ต้องฝ่ายฝันพยายามที่จะเดินตามท่านไปเท่านั้นเองทั้งฟังทั้งหลาย